งดการใส่บาตรเรียกว่าความขันข้าวพวกพระเหล่านั้นจะหลีกไปหรือว่าจะสึกไปหรือว่าจะไปทำพระศัสดาให้พอพระหาท้ัยใหม่ก็สุดแต่ฝ่ายพิสุชาวกรุงโกสัมพีทั้งสองฝา่ซึ่งวิวาดกันเมื่อถูกชาวบ้านปฏิบัติดังนั้นก็ค่อยรู้สึกสำนึกตัวและกลับหันหน้าเข้าหาเรือกันวาดจะทาอย่างไรในที่สุดก็ตกลงใจกันว่า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 ระษาเรีบทก็ได้กระทูนถามว่าจะพึงรู้ว่าเป็นธรรมหรือว่าอาธรรมอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าภิกษุที่เป็นอธรรมมวาทีคือผู้กล่าวไม่เป็นธรรมนั้นพึงทราบได้ด้วยวัตถุ18ข้อเมื่อรวมเป็นคู่ก็ได้เก้าคู่คือคู่ที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าธรรมแสดงธรรมว่าอาธรรมคู่ที่สอง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 แสดงอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตที่มีส่วนเหลือคู่ที่9แสดงอาบัตชั่วยากว่าไม่ชั่วอยากแสดงอาบัตที่ไม่ชั่วยากว่าชั่วยากภิกษุที่มีวาทะดังกล่าวมานี้ก็ให้พึงรู้ว่าเป็นอาธรรมมาวทีกล่าวไม่เป็นธรรมส่วนภิกษุที่เป็นธรรมมาวทีคือกล่าวเป็นธรรมนั้นก็พึงทราบด้วยวัตถุ18ข้อ อันมีอัฏะคือเนื้อความตรงกันข้ามจากที่กล่าวมาแล้วคือคู่ที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าอธรรมแสดงธรรมว่าธรรมคู่ที่สองแสดงอัวินัยว่าอวินัยแสดงวินัยว่าวินัยคู่ที่สามแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ว่าไม่ได้ตรัสไวแสดงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตรัสไว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 เล่าไว้ก็เพียงนิดเดียวคือเพียงเรื่องเหลือน้ำทิ้งไว้ในภาชนะน้ำในวัจกุดีเท่านั้นซึ่งก็เป็นอาบัตเพียงทุกกฎแต่ว่าอาศัยที่ทั้งสองฝ่ายเป็นขณาจารย์ซึ่งมีสิกขาคือศึกษามามากด้วยกันจึงต่างก็ไม่ยอมกันและก็ปฏิบัติต่อกันอย่างรุนแรงคือฝ่ายที่เห็นว่าเป็นอาบัตเมื่อได้โอกาสก็ประชุมพวกของตนแล้วก็ทาอุเคปนิยกรรม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 ก็ยังไม่เป็นสังกเภทแต่เรียกว่าเป็นสังขาชีคือเป็นความร้าวรานของสงเท่านั้นครั้งเมื่อแยกกันทำสังขกรรมแล้วก็เรียกว่าเป็นสังกเพศความแตกของสงภิกษุทั้งสองฝ่ายนั้นก็เรียกว่าเป็นนานาสังวาสกะคือมีทําเป็นเครื่องอยู่ร่วมต่างๆกันเป็นนานาสังวาสกะของกันและกันสังกเพศตามที่เล่ามานี้ เกิดขึ้นจากวิวาดกันตามวัตถุ18ข้อ9คู่เหล่านั้นและเมื่อจับขึ้นพิจารณาดูแล้วสมุดฐานที่เดียวก็เพียงคู่ที่ว่าเป็นอาบัตกับไม่เป็นอาบัตเท่านั้นจัดเข้าในคู่นั้นแต่การปฏิบัติต่ตอกันนั้นปฏิบัติด้วยอาการที่รุนแรงลกล่าวมาแล้วสังฆเพทสังฆสามัคคี สังฆเภทดังกล่าวมานี้ท่านไม่ปรับว่ามีใครหรือฝ่ายไหนเป็นผู้ทาสังฆเภทที่เป็นอนันตริยกรรมดังอนันตริยกรรมหซึ่งมีข้อหนึ่งว่าทาสังฆเพทคราวนี้ถ้าจะยกปัญหาขึ้นมาว่าตามเรื่องที่เล่ามานี้ใครเป็นผู้ทาสังฆเภทซึ่งจะต้องเป็นอนันตริยกรรมตอบได้ตามเรื่องในโกสัมพิกาภิกษุที่เล่านี้ ท่านไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้ทําสังฆเภทซึ่งเป็นอนันตริยกรรมและทั้งสองฝ่ายก็ไม่ถูกหาว่าเป็นผู้ทําสังฆเภทที่เป็นอนันตริยกรรมดังกล่าวนั้นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นแยกกันก็เพราะวิวาทคือทุ่มเถียงกันตามวัตถุที่กล่าวแล้วมีความเห็นแตกแยกกันประกอบด้วยทิฏฐิมานะเข้าใส่กันด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้แยกกันออกไปเป็นสองฝ่าย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 ตามสังคเพศ ท, ที่ได้เล่ามานี้ไม่กล่าวว่าใครเป็นผูท้ทมซึ่งจะต้องเป็นอนันตริยกรรมพระทั้งสองฝ่ายนั้นก็คงเป็นพระภิกษุและต่อไปก็จะปรองดองกันตามเดิมท่านแสดงว่าเมื่อพระสารีบุตรได้กระททูลถามและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบอย่างนั้นแล้วก็ได้มีพระเทระอื่นอื่นอีกหลายรูปเช่นพระมหาโมคลานะ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 ก็ให้จัดทําให้ว่างขึ้นแต่ว่าตรัสสั่งไม่ให้ห้ามกันสําหรับภิกษุที่แก่กว่าคือไม่รบกวนภิกษุที่เป็นผู้แก่กว่าให้ได้รับความลำบากในส่วนอามิตรมีข้าวน้ําเป็นต้นก็ให้จัดแบ่งให้สม่ําเสมอกันฝ่ายภิกษุชาวโกสัมพีเมื่อมาถึงกรุงสาวัตถีได้มาพำนักอยู่ณพระเจตาวันและภิกษุที่ถูกสรงยกวัด ก็ได้มาพิจารณาตนเองเห็นว่าต้องอาบัตและที่ถูกสงยกวัดนั้นก็เป็นธรรมจึงได้เข้าไปหาภิกษุซึ่งเป็นผู้อนุวัตตามตนกล่าวแสดงความรู้สึกให้ทราบและขอให้ภิกษุเหล่านั้นประชุมสงเรียกเข้ามู่คือระงับการยกวัดนั้นภิกษุที่เป็นฝ่ายของท่านก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้สงทราบ พระกุตจ้าก็ได้ทรงอํำหนวยให้การเรียกภิกษุนั้นเข้ามู่คือว่าระงับการยกวัดภิกษุที่เป็นฝ่ายของท่านก็ได้ประชุมกันกระทําการระงับอุเคปเนิยกรรมนั้นแล้วก็ได้ไปหาภิกษุอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้ทําการยกวัดได้แจ้งให้ทราบและจักชวนกันกระทําการสังฆสามคัคคีคือการกระทาความพร้อมเพรียงของสงเพื่อสงบระงับอธิกรณ์นั้น ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติพระองค์ก็ได้ตรัสสอนให้ประชุมสงฆ์ทั้งหมดแม้พิษสุขใก็ต้องมาเว้นไม่ได้ครั้นแล้วก็ให้สวดประกาศแจ้งความระ ง, งับอธิกรที่บังเกิดขึ้นครั้สนสวดประกาศแล้วก็ให้ทาอุโบสถคือสวดปาฏิโมกขึ้นในขณะนั้นเมื่อปฏิบัติดังนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นการทาสังฆสามัคคี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 เมื่อเกิดสังฆเพศขึ้นและสหมาปรองดองสามัคคีกันเป็นสังฆสามัคคีเมื่อใดก็ทำอุโบสถสวดปาติโมกขึ้นเมื่อนั้นเรียกว่าสามัคคีอุโบสถสังฆสามัคคีสองอย่างเมื่อพระสงฆ์ที่แตกแยกกัน ได้ทำสังฆสา ม, มัคคีกันเรียบร้อยแล้วท่านพระอุบาลีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางทรงพระวินัยได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลถามว่าเมื่อเกิดสังฆเภศความแตกแห่งสงฆ์สังฆราชีความราวรานแห่งสงฆ์ขึ้นเพราะวัตถุคือมีเรื่องอันใดสงฆ์ยังไม่ได้วินิจฉัยวัตถุอันนั้นได้ดาเนินไปสู่มูลเหตุจากเรื่องที่ไม่ใช่เป็นมูลเหตุ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 พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสังฆสมคธินั้นประกอบด้วยธรรมท่านยังกราบทูลถามต่อไปว่าสังฆสมคธิความพร้อมเปลี่ยงกันของสงมีกี่อย่างพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามีสองอย่างคืออย่างหนึ่งสังฆสมคธิที่ปราศจากอัตถะคือเนื้อความได้เพียงพยัญชนะคือถ้อยคาอีกอย่างหนึ่งสังฆสมคธที่เข้าถึง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 กระทำสังขารมคีนี้เรียกว่าสังขารมคีที่ไม่ได้อัดคือเนื้อความได้แต่พยัญชนะคือถ้อยคาส่วนเมื่อเกิดสังฆเพศสังขราชีขึ้นเพราะวัตถุใดสงวิิจฉัยวัตถุนั้นดําเนินไปสู่มูลเหตุจากเรื่องที่เป็นมูลเหตุกระทาสังขารมคีนี้เรียกว่าสังขามคีที่ได้ทั้งอัถคือเนื้อความได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยคา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 ซึ่งฝ่ายหนึ่งไม่เห็นว่าเป็นอาบัตอีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นรุนแรงว่าเป็นอาบัตจนถึงกับยกวัดกันขึ้นเมื่อจับมูลเหตุอันนี้ได้แล้วฝ่ายที่ไม่เห็นว่าเป็นอาบัตก็กลับเห็นว่าเป็นอาบัตแล้วก็ยอมสแสดงอาบัตเสียแล้วสงก็เรียกเข้ามูลตามเดิมระงับการยกวัดนั้นดังนี้เรียกว่าสงวินิจฉัยวัตุนั้นแลวก็จับอมูลเหตุจากมูลเหตุขึ้นวินิจฉัยกันจริง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 ได้ทั้งอัฏฐคือเนื้อความได้ทั้งพยัญชนะคือถ้อยคำเหตุให้แตกแยกีนกายตามที่กล่าวมานี้เป็นข้อที่ควรศึกษาถึงเรื่องความแตกแยกกันหรือว่าความพรองรองกันทางคณะสงฆ์ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรและจะมีได้เพราะอะไรเมื่อสรุปลงแล้วความแตกแยกของคณะสงฆ์นั้น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 ได้ได้มีการพยายามทำกันด้วยวิธีต่างๆหลายอย่างแต่ว่าเมื่อเรื่องมันจะเป็นก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้ก็เป็นไปเหมือนอย่างที่เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมานานเข้าก็แตกออกเป็นหีนยานหรือว่าทักสินิกายอย่างที่นับถือกันในประเทศลังกาพามา่าไทยเป็นต้นและเป็นมหายานหรืออุตรนิกายอย่างที่นับถือกันในประเทศจีนยนูนเกาหลีทิเบตเป็นต้น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 ยังมีความเคร่งครัดและย่อหย่อนประกอบเข้ามาอีกที่เคร่งครัดก็คือเป็นผู้หนักในพระธรรมมวินนยปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยพระธรรมมวิเนยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อไม่ให้ผิดพลาดแต่ว่าฝ่ายที่ย่อหย่อนนั้นประพฤติย่อหย่อนลงมาลบเลี่ยงพระธรรมมวินนยบ้างฝื้นเอาดือๆบ้างบางทีก็ต่อหน้าแสดงว่าประพฤติแต่ว่ารับหลังไม่ประพฤติ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 ก็จะสืบเนื่องไปถึงข้ออื่นในเรื่องของภิกษุชาวโกสัมพีนี้อาบัตเล็กนิดเดียวเท่านั้นยังยกเป็นเหตุให้เกิดราวฉานแตกราวกันขึ้นแต่ว่ามาพิจารณาดูถึงความประพฤติย่อหย่อน<ม>ก็เพิงเห็นได้ว่ามีมากกว่าหรือว่าหนักกว่าเรื่องที่เป็นมูลเหตุในเรื่องที่พิกษุชาวโกสัมพีวิวาทกันอยู่นี้มากมายมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็แยกกันไปเองตามความเห็น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 พระเจ้ามหาปิฎกทรทรงส่งพระที่หงสาวดีไปบวชใหม่ที่หลังกาในสีมาน้าแม่น้ำกัละยาณีแล้วก็กลับมาเมืองมอนให้พระที่โบวชมาใหม่นั้นผูกสีมาขึ้นแห่งหนึ่งที่ชายเมืองหงสาวดีตั้งชื่อว่าสีมากัละยาณีเมื่อผูกสีมาเสร็จแล้วพระเจ้าแพ่นดินก็ออกพระราชาฤษฎีกา ให้พระในเมืองมอญศึกออกมาบวชใหม่ทั้งหมดเพื่อจะรวมให้เป็นนิกายเดียวกันก็ปรากฏว่าตามตำนานที่พระเมืองมอญเขียนไว้ว่ามีพระจำนวนมากศึกออกมาบวชใหม่ในสีมากรยาณีนั้นเกือบจะเรียกว่าทั้งประเทศถ้าไม่ศึกออกมาบวชใหม่และยืนยันที่จะประพฤติย่อหย่อนอย่างเก่าพระเจ้าแผ่นดินก็จะพระราชทานพระขาวให้ศึกออกไปก็เป็นอันว่า ท่านได้บวชพระใหม่กันทั้งประเทศสำเร็จในสมัยนั้นแต่แล้วเมื่อการเวลาล่วงมาพระมร น, นั่นเองก็กลับแตกออกเป็นนิกายอีกมากมายเพราะว่าจิตใจไม่ได้สมัครแต่ทำด้วยเกรงพระราชอํานาจแต่ว่าพิจารณาการกระทําของท่านที่ผูกสีมาแล้วเอาพระมาบวชใหม่นั้นก็เพราะท่านจับมูลเหตุขึ้นอันหนึ่งเหมือนกันคือจับมูลเหตุที่ว่า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 ที่บทมาจากสีมากลยาณีที่เล่านี่แหละแล้วก็ส่งสอบสวนดูปรากฏว่าแสดงพระวินัยแสดงบ่งของการบรรพชาอุปสมบทที่สืบเนื่องมาให้ทรงเลื่อมใสได้จึงได้ทรงยติใหม่ในพระสงฆ์ที่โบทมาจากสีมากรยาณีนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ากราฟเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเล่า ว, ว่าได้ทรงทำทันหีกรรมอุปสมบทใหม่หลายครั้งหลายหน ด้วยทรงรังเกียจนนนบ้างรังเกียจนี่บ้างทําแล้วทําเล่าจนเป็นที่พอพระราชาฤทยัยการที่พระเจ้ามหาพิฎกทอนทรงส่งพระสงฆ์มรญไปบวชหมุดที่สีมาแม่น้ํากะลายาณีในหลังกาดังที่เล่ามานั้นก็ไปบวชในสายของพระสงฆ์ฝ่ายมหาวิหารซึ่งพระสงฆ์ฝ่ายนี้ได้สืบมาจากสายพระมหินที่ว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาโศสมหาราช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 สือเรื่อง45พรรษาของพระพุทธเจ้า พ, พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก